อ่าผ่านเรื่องคุณบอลไปทีนี้เนี่ยมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ผมยังอ่านแล้วผมแบบเอ๊ะทำไมต้องมีคํานี้ผมเป็นผีฉบับสมบูรณ์ที่มาที่ไปมามันยังไงครับคุณคิงทําไมถึงต้องมีคำว<อ>่าฉบับสมบูรณ์คือเรื่องนี้ผมขออธิบายก่อนนะพี่แจ๊คผมจะต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันอย่างที่พี่แจ๊บอกมันไม่เกี่ยวกันแต่ผมต้องให้ให้ข้อมูลตับคนที่เขาเคยฟังก่อนเพราะมาเรื่องเนี้ยผมเคยเล่าแล้วอื แต่เจตนาของผมเนี่ยผมอยากให้พี่แจ็คฟังเรื่องนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาพูดและเขารู้จักผมก็คือเรื่องเนี้ยอืแล้วผมอยากถ้าเกิดผมมติว่าพี่แจ็คยิไปทําหนังก็ก็ผมเหมือนจะเสนอกับพี่แจ็คว่าอถ้าผมมาเล่าใหพี่แจ็คเนี่ยพี่แจ็คจะได้สะดวกในการที่จะหยิบไปทำไงครับอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเป็นผีคุณคิงเคยเล่าแล้วเอะพูดตรงๆเคยเล่าที่บ้านเก่าถูกไหมครับแต่ไม่ได้เล่ากับผมใช่เท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่เคยฟัง ครับอ่าโอเคทีนี้ว่า ท, <ะ>ที่มผมทําเนี่ยเพราะว่าต้องบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนวันเกิดนาคือ<ะ>ถ้าผมมาเล่าพี่แจ็คมันจะสะดวกกับการที่พี่แจ็คจะยินไปทําก็ได้อืมอืมเข้าใจเข้าใจครับแล้วมันมีตรงจุดที่เต็มเพราะว่าอื ม, มันเหมือนจะตรงนั้นเวลามันจํากัดแต่ตรเนี้ยมันสามารถที่จะได้นะโอเคโอเคเท่ากับว่าเรื่องผมเป็นผีฉบับสมบูรณ์นี่คือจะมีบางช่วงบางตอนที่ขาดหายไปนะตอนนั้น ใช่ครับโอเคมาฮะผมอยากฟังเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนเคยพูดให้ผมฟังเหมือนกันว่าโหเรื่องนี้นี่สุดยอดจริงๆคําว่าผมเป็นผีนะครัหรับคุณผู้ฟังที่เคยฟังแล้วอันนี้ต้องบอกนะฮะฝากบอกด้วยระหว่างที่เล่าอยู่ผมอาจจะไม่มีเวลาพิมพ์เดี๋ยวจะเข้ามาบอกเฮ้ยเรื่องนี้เคยฟังแล้วนี่เรื่องนี้เคยเล่าแล้วเนี่ยนะครับคนละที่กันและที่สําคัญคือคุณคิงบอกว่าเป็นฉบับสมบูรณ์แสดงว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายไปและครั้งนี้จะได้ฟังกันแบบเต็มๆม นะคุณคิงโอเค <Okay. S 2> นะฮเรื่องราวทั้งหมดเรื่องของผมเป็นผีเป็นยังไงคุณคิงลุยครับครับผมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเป็นประมะบทของการที่ผมได้ออกทุดงเลยนะแต่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมอยู่ที่วัดวัดของผมเนี่ยวัดต้นสังกัดเขาเรียกันี้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผมผู้เล่นนะ่วัดต้นสังกัดเนนะี่ยคือเป็นวัดที่เราปวดเราอยู่เราสังกัดตรงนั้นตั้งแต่ทีแรกเลยครับ ผมอยู่ในช่วงก่อนเข้าพรรษาเนี่ยผมจะเจอจกับพระอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์สมจิตเเจอก่อนที่จะเข้าบรรษาแล้วอาจารย์สมจิตท่านก็ไปที่อื่นพ hmm. อไปที่อื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะไม่เคยได้ด ก, กลับมาเลยนะ <ifa. S 2> จนในช่วงออกพรรษาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมบวชได้หนึ่พรษาเต็มละ hmm. ผมคิดจะสึกแต่ก่อน น, นั้นน่ะเราก็ไม่เคยนึกถึงอาจารย์สมจิตเลยนะครับ hmm. ตอนนั้นผมสมัยนั้นผมเรียกท่านว่าหลวงพี่อยู่เลยเพราะอาจารย์สมจิตผมเนี่ยผมพูดจริงนะพี่แก อาจารย์ที่เก่งๆของผมคนเนี้ถ้าผมบอกว่หน้าก็ยังหนุ่มอยู่เลยเ<ม>ชื่อไหมครับหน้าท่านหนุ่มมากคุมผมเรียกท่านว่าหลวงพี่เลยนะค<ม>แล้วท่นนี้ตอนก่อนออกพรรษาไอตอนช่วงออกพรรษาเนี่ยผมกําลังจะศึกรอรับประทินอืมอาจารย์สมจิตก็เดินทางมาผมก็ได้มีการสนทนากันท่านก็ถามว่า<ม>เป็นไงอยู่นี่เป็นไงผมก็บอกว่า<ม>ดีครับแต่กําลังจะศึก<ม>ท่านก็บอกว่าที่มาที่เนี่ก็เพราะว่าฝันเห็นกูเหลวมเพือก จะเลี um, <f> ้ยงหนีแล้วก็คิดถึงท่านนี่แหละก็เลยมาหาเพื่อจะมีหนทางในการจะชวนกันอยู่ต่อนั่นก็คือท่านก็ชวนหออกสุดดวงผมผมก็ไปกับท่านเลยนะและที่แรกที่ท่านพาผมไปก็คือจังหวัดขอนแก่นเริมต่างต้นมปไหนท่นู่นเลยเพราะว่าท่านบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ที่แบบเป็นป่าแต่ว่ามันก็พอจะมีวัดมีวาให้เราได้อาศัยไม่ต้องไปอยู่ป่ามากในขั้นต้นเหมือนกับว่าให้เราแบบชิ้นชิ้นปรับตัวก่อนก็นั่งรถไปที่ขอนแก่นกัน พอไปที่วันวันเนี้ยอาจารย์พาผมเอาของไปฝากในตัววัดนะครับพี่แจ็แต่พาผมไปปักก ด, ดในป่าซึ่งผมเนี่ยผมบอยผมไม่ใช้กดผมใช้เต็นท์เพราะว่าเราไม่ค่อยถนัดเรื่องกดเรายังเป็นแบบผ้าใหม่ครับผมก็เลยใช้เต็นท์ซึ่งเราเคยกลางตอนอยู่ในวัดเคยลองซ้อมไปนอนใต้ต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคก็เป็นแล้วก็กลางเต็นท์เรอเพราะถนัดการยอยู่ในป่าก็คือจะห่างกันประมาณ ร้อยเมตรได้อะสอง้อยเมตรได้ประมาณนั้นนะครับก็คือถ้ามืดมากก็มองไม่เห็นกันแล้วก็สองร้อยเมตรถามว่าไกลไหมก็ไกลนะในป่านะคุณผู้ฟังออครับแต่ว่าเป็นป่าที่ไม่รกนะครับผมก็ยังคิดว่ามันคงเป็นป่าที่มีชาวบ้านผ่านอยู่เป็นประจำเหมือนกัว่าจักรก็เดินเข้าไปในป่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นละมั้งครับซึ่งมันก็พอมองเห็นกันอยู่นะเวลาที่ยังไม่มืดแต่พอมืดแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนอกจากว่ากองไฟที่อาจารย์จุดแล้วผมก็จุดต่างคนต่างจุดครับ อาจารย์ก็จะปฏิบัติจิตของท่านอาจารย์ก็จะบอกผมว่าการไปออกคุดงเนี่ยต้องระวังให้ดีปฏิบัติให้ได้มากเพราะว่ามันจะมีทั้งคนลองดีและผีลองของอืม mm hmm. ส่วนอาจารย์เจ้าวาดผมเนี่ย <c oughs> ท่านก็เตือนมาคํานึงอันนี้เป็นคําจิตนะครับที่ที่ผมจะต้องบอกใจตัอว่าผมไม่ได้เติมเพื่อให้มันดูหยาบพายอะไรเลย <c oughs> แต่อาจารย์ผมท่านจะเป็นคนเ้าๆ้ๆคืออาจารย์เจ้าวาดวัดเก่าผมอ mm hmm. ท่านจะบอกว่าำท่านทําให้ดีแนละ้วออกคุดง เพราะว่าพระกระดนจะพิลึกไดท้ท่านพูดคําเนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกสํารวมแล้วก็ระวังตัวมาตลอดว่าเอาเอเราจะพูด จ, จารอะไรแล้เราต้องระวงนะังไหมเราไปแตกทินทันนี้ <c oughs> ในขณะที่ผมปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่คืนแรกที่ผมไปเข้าไปเนี่ยผมอยู่คนเดียวผมก็ไม่มีความคิดของเรื่องผีเพราะว่าเราเป็นพระอะแล้วเราก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรไปมากมายไปกว่านี้แล้ะเราออกมาจากอาจารย์ที่ท่านก็เก่งพอตัวแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนเพราะเพา่งออกมาด้วยกันออื อยู่ดีในขณะที่ผมนั่งนั่งสมาทานอยู่นะ่ะนั่งสมาธินะครับประมาณสักช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มเวลาประมาณเนี้ยจะมีเสียงคนเหยียบใบไม้เรารู้ว่าเป็นคนเพราะถ้าเป็นสัตว์เดินเนี่ยพี่แจ๊มันจะเดินสีขามันจะเดินเหยียบไม่หนักแล้วมันจะเดินแบบใบไม้ซุยๆอะ่ะแต่ถ้าเป็นคนคือมันจะย่างและเหยียบย่างละเหยียบเราจะรู้น้ําหนักอรับการอยู่ก็รู้่ามีคนเดินมาแต่ไม่รู้วเป็นใคร <c oughs> มาหยุดอยู่ประมาณช่วงกองไฟผมซึ่งผมรับการอยู่แล้วผมก็นั่งอยู่นั่งกองไฟนั่นแหละอืม จนนานเกินไปแล้วผมไม่ได้ยินเสียงว่าเขาไปไหนผมก็เลยลืมตาครับเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งผมยาวยๆถือตะเกียงเจพายุอ่ะครตะเกียงเก่ า, กเกเกาๆนะพี่แก็คุนเกา่าใส่เสื้อลายตะกอดกางเกงขาสั้นแต่กางเกงเนี่ยสีอะไรผมไม่แน่ใจแต่เสื้อลายตะกอตแน่นอนไม่ติดกระดุมออืแล้วผมมันจะยาวเลยนะผมผมแกก็ถามผมว่าหม่อมย่านีบ่ะอยู่เปืนมาสายแสนเลยนะครับเอาหม่อมย่านีบวะเอาพี่ว่าปี่ไหมอะไรเงี้ย ผมก็บอกอ๋อไม่ไม่กลัวหรอกยมทำไมอะแ่บอกเออผมเป็นผีเด้อพูดดื้อๆอย่างนี้ใช่ใช่พเหมือนคนพูดตลกเนี้ยพูดแล้วก็ยิ้มเลยอผมเป็นผีเด้อผมก็ผมก็หัวล้อนะแล้วไงออกมาทีแรกก็โดินแล้วไงแต่อันนี้คงแค่พอแฝงแหละแต่เขอกอ๋อละอาผีก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่กลัวหรอกเออผมเป็นผีผีเด้อแล้วแกก็เดินไปเดินขายไปเลยนะผมอ่เออแต่วันนี้จะตลกกิเดียวกันด้วเราก็นั่งต่อ เป็นอย่างเงี้ยจนเช้าผมก็ไม่ได้พูดเลยแต่จะสังเกตว่าอาจารย์ผมเนี่ยท่านจะยิ้มยิ้มยิ้มตลอดอาจารย์ผมฉันคนที่ยิ้มยิ้มอย่างเดียวยิ้มเก่งมากเลยแต่ถ้าถามผมถะาามผมก็ใจอยู่คำเดียวว่าเมื่อคืนการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างแต่จะไม่ถามผมตรงๆหรอกผมก็บอกก็ก็พอสงบครับอยู่ในป่าอืมเราก็เฉยๆในเรื่องอื่นมันจะพูดว่มีคนมาควนเราไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกอาจารย์คืนที่สองเขาก็มาแต่คนเนี้ยอืม มาติดมามืนเดิมเลยมาเวลาประมาณเดิมเพราะว่าผมจะดูนาฬิกาจากโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยซึ่งผมไม่ใช้ผมไม่มีซิมผมเอาไว้ดูเวลาอย่างเดียว uh huh. ก็เขาก็ผมนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งเนี่ยประมาณห้าทีจุวันนี้เขาจะเริ่มเดินมาแล้วโท uh huh. สสรบ ส, บสรัพท์เดินมาถึงแล้วมาหยุดผมก็ลืมตามมองว่าใช่คนเดิมไม่ใช่จริงเลยบอกมองย่านนี้บอผมจบอาตมาบอกเราไม่กลัวก็ uh huh. พูดไปเลยก็หั ว, วเราะชาวพานเ่นี้เขาก็เลื่งแปลกแกเลยเลย uh huh. ทำไมาไม่กูแหว่ทำไมล่ะโยมถ้อผมเป็นผีเด้ออืผมมาบอกซื้อแล้วเขาก็เดินไปเลยออืผมเอ้าตวันนี้เขายังไงของเขาเนี่ยและคืนที่สามก็มาอีกแล้วพี่แจ็มาอย่างเงี้ยือนแต่ว่าในวันที่สามเนี่ยผมนั่งสมาธิแล้วถ้าใครที่เขาเป็นสายปฏิบัตินะเขาจะรู้ว่ามันจะมีบางครั้งที่เรานึกอยเรื่องเก่าที่เรียกว่าสัญญาเก่าเนี่ยแล้วเราจะแบบเฮ้ยทําไมไม่สงบแล้วเราจะมีความหงุดหงิดอยู่แล้วไงตรงมีเสร็จตาันนี้เขาเดินมาพอดีเลย มอมย่างผีบอเดินมาตะไก่เลยนะออืมอมผมเอาแล้วมาจถวายอย่างนี้ด้วยอมไม่กลัวเรายมทําไมอะไาผมเป็นผีด้วยมผมก็เลยพูดเลยว่ายมอาตมาไม่ได้กลัวหรอกนะผีแล้วก็วไม่ต้องหลอกอถ้าอยากได้อะมุดเข้าไปเอาเลยในเต็นนะต์รองเท้าเนี่ยเขาเพิ่งถวายมาวันนี้ไม่อยากได้หรอกอาตมาเดินเท้าเปล่าแต่เอาก็เอาไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาหลอกอี๋นะไม่กลัวแล้วไม่ไปไหนด้วยออืเขาก็แบบน่าหงอยๆนะ แล้เขาก็พูกผมว่าผมว่ารองเท้อผมมันขีดด้วยผมว่าโยมมันจะเล่นอีกงเหรอเขาก็ลุกขึ้นเดินหายไปเลยผมว่าอืยังไงของเขาเนี่ยชาวบ้านที่นี่แต่พอเรานั่งบนเสื้อผ้าหนึ่งแมันหอมสึกว่าเฮ้ยเราเป็นพระนะเนี่ยคือเราก็มองดูตัวเองนะดิแจ็ก็เราว่เาเราพูดกับเขาแรงไปหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่ควรที่จะโมโหด้วยอืเราคิดว่ายังไงถ้าเดี๋ยวพรุนี้ถ้ามาอีกจะได้ขอเข้ามากันล่ะ เตรียมจะเล่าให้อาจารย์ฟังกันนะแต่ว่าผมก็คิดว่าจะเล่าหรือไม่เล่าดีกวัวอาจารย์ตำหนิอย่างเงี้ยครับตอนเช้ามาซึ่งปกติผมบินสบายผมไม่เคยคุยกับพวกไม่ออกเลยนะวันนั้นผมก็คุยกับเขาครั้งแรกเลยปกติว่าถามว่าผมมาจาไหนผมยังไม่ตอบเลยครับอาจารย์ผมจะตอบผมจะไม่ตอบคือผมผมเขาเรียกว่าไงพระใหม่อนะไฟแรงก็จะเข่งอีโก็จะสูงนิดนึงทาเป็นแบนไม่พูดอะไรเงี้ยครับพนนั้นผมถามว่ายมรู้จัก ผู้ชายผม ย, วยาวผมผอมนะไม่ออกข่าวผมบอกว่ามีปากเพื่อบอกผมก็เลยบอกอืมีอหละวันนี้ขอถามหน่อยอเขาก็เลยว่าไม่มีนะทําไมล่ะมอมก็เห็นเขาเข้าไปหาแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้จักเขายังไงเขาบอกเขาด้วยว่าคืนนี้เขาไปหาด้วยเพราะว่าเมื่อคืนอเลมาก็คงจะพูดจานหนักไปหน่อยอแต่อยากจะขอขอขามากำลัาเขานะข่ะ แต่แค่มองหน้ากันสามสี่คนนะเขาเขาจะลงตัวกันไงพี่แอ๊าแถวบ้านแถวอีสานผมไม่รู้เป็นจังหวัดก็แลแต่ว่าเขาจะไปรวตัวกัจุดซึ่งพาเดินมีบาบมาแล้วเขาจะรับเป็นจุดเป็นจุดอย่างเงี้ยพอเขามองหน้ากันสามสี่คนว่าไม่มีนะม อ, อะไมไว้นี่ยแถวอีสานเนี่ยถ้าไว้ผมยาวเนี่ยเขาว่ามันเป็นจีบ้าคงจะไม่มีหรอกออืมอมผมก็เลยว่าอ๋อไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่มีก็ไม่เป็นไรท่า น, นี้ผมก็กลับไปแต่อาจารย์ผมก็จะยิ้มๆแล้วก็มองหน้าแล้วว่า มีอะไรหรือเปล่าท่านถามผมนะผมก็บอกว่ามันก็พอมีครับคือเราไม่ได้โกหกแต่เราไม่บอกหมดท่านก็ยินยินคือเนื้อใหม่โอ้โหสมใจเลยพี่แจ็คผคิดแล้วว่าเดี๋ยวคืนนี้จะขอคํามาท่าหน่อยตอนนั้นผมเพิ่งได้กระถินมาที่ผมเล่าใหแจ็คฟังนะมันจะมีเงิๆๆนอยหนีเราเนี่ยประมาณหกเจ็ดพันเนาะผมเอาวองรถตรงหน้าเลยนะพี่แจ็คเชื่อไหมครับเอาวางรถตรงหน้าเลยพร้อมกับรองเทา้ารองเท้าใหม่เขาเท่าไหรองเทา้าออก็ได้มาคูดหนึ่งไนงะแต่ผมไม่ใส่ไงนะ ผมก็วางไว้ใกล้ๆ ก, กันเลยแต่ว่ามันจะวางไว้แบบติดกันนะทีนี้พอเขามาถึงนะมอมย่านผีบัผมว่าเอออารมณ์ดีมาไว้แั่คนนี้ฮะับอ๋ออาตมาไม่กลัวหรอกยมครับแล้วก็ผมก็หัวเลาะนะผมก็บอกเออยมเมื่อวานเนี้ยนะคืออยากมาพูดแรงไปต้องขออภัยด้วยแล้วก็คือวั น, น, นเนี้ยเตรียมเงื่อนไว้ให้ผมก็เลื่อนต่างค์ไว้ให้เขาเลยนะอืออย่าคิดว่าอาตมาเอาเงินมาคาดหัวนรืออะไรนะแต่ คือมันไม่มีทางออกไงจะทํายังไงก็ได้เพื่อให้โยมรู้ว่าอาตามาไม่ถิงโทษแล้วโยมก็จะถือโทษไม่ได้เอาเงินมาซื้อแต่อะไรก็ได้ที่มันจะทให้โยมรู้สึกดีขึ้นอาตามายินดีออืเอาไปเลยอาตามาก็่ว่าจะเดินเท้ากับอาจารย์แล้วล่ะไม่ต้องใช้เงิน น, ะนี่รองเท้าเอาไปด้วยเขาตอบผมมาว่าผมไม่อยากได้นเงินละม อ, อมผมมาบอกเสี้ยว่าผมเป็นผีเดอ้อ ผมว่าอาอวชาวคนนี้จบลงก็ต้องการอะไรกันแน่ะ่ะถ้าเข า, า, าไม่ใช่ว่าต้องาการที่จะมาแบบมาหลอกเราให้เรากลัวและมาเอาเงินเอาของทรัพย์สินในนี้ไปผมว่าอ่าๆงั้นก็ใหม่ๆก็ไหนๆแล้วโยมอนุเคราะห์ไหนได้ไห ม, มว่าโยมเน่ะเชื่ออะไรออืทำไมชาว บ, บ้านแถวนี้เขาไม่รู้จักโยมเลยปกติไงนนพี่แจ๊เขาจะนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกองไฟซึ่งผมจะเห็นหน้าเขาเนี่ยจะแตงไฟที่มันเป็นพยับพเยอดอยู่เงนะ แต่วันนั้นพอผมบอกแถวนี้เขาไม่รู้จักโยมเลยเขาค่อยๆเดินเป็ดอ่ะคือเดินแบบไม่รู้เปนั่งยองๆอ่ะแล้วก็ถีอตะเกียงแลเดินเดินเดินเป็ดเข้ามาหาผมมาอยู่ทางข้างซ้ายของผมผอ ม, มาเข้าทางข้างซ้ายของผมเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าเขาฝั่งเดียวอีกฝั่งนึง่งเหมือจะมืดใช่ไหมละ่ะออันนี้เขาบอกว่าดูหน้าผมไว้จะชัชดได้มอมแกเอามือลูบผมเองแยกตะเกีย ง, งมาไว้ข้าง้ๆหน้าแกแล้วยื้มหน้ามันเกือบติดหน้าผมมาพิจครับแล้วบอกว่าผมชื่อบักปีชื่อบักปีตายครับอ่ ผมชื่อบติสิย์คนยินตายได้สองเดือนกว่าแล้วณเวลานี้ผมยังตามหาคนที่ยินผมอยู่เลยลองไปถามชาวบ้านแถวนี้ว่ารู้จักผมไหมผมเมื่อขนหลังนะพี่แจนตั้งแต่ผมจะต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าขารู้สึกอะไรเพราะเตอนนั้นเป็นจิงเก็เตหมดแ ล, แล้วนั่งสมาธิไงแต่ตั้งแต่หลังขึ้นมาตั้งแต่สะโพกแต่ก้นขึ้นมาจนถึงหัวเนผมขนลุกหมดเลยนะใ้แค่เอาอาตะเกียงยิน่นใกข้หน้าเรายิ่นหน้ามาติดเราเนะี่ยทาไมเราถึงรับแรงความน่ากลัวได้ขนาดนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันออื และคืนนั้นอากาศก็ไม่ได้ร้อนพี่แจ็ผมจําได้ว่ามันจะหนาวๆด้วยทําแต่ผมก็นอนเหงื่อแตกไปหมดเลยผมต้องออกมาเดินอยู่ข้างนอกผมคิดใจเรื่องนี้ว่ามันเรื่องจริงหรือมันเรื่องหลอกวะเนี่ยและเขาขนาดจะรันตีว่าตัวเขาเองโดนยิงตายได้สองเดือนกว่าแล้วผนี่ยม่มันจะจริงหรือมันจะหลอกหรือมันจะยังไงหรือใครเล่นตลกหรือรว่าพระเจ้าถิ่นไม่พอใจเลยรให้ลิดวันมาแก้ตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นจริงผมยอมรับว่ามันบาปนะตอนนั้นคือต้องแบบคิดไปเรื่อยฟุ้งไปเรื่อย ใช่อรือพ่าเขาไม่พอใจที่เรามานี่เพราะว่าโยมเนี่ยคือเปลี่ยนเวรเข็มจากที่วัดอะเป็นมามาใส่บาตรจากเราหมดเลยเราก็จะเข้ามาเล่าสนทนาทำกับเราตอนลางวันหมดเลยเพราะโยมเขาก็จะออกปาพูดว่าเอออย่างนี้นะวัดบ้านานี้นั่นเราก็แบบอื อ, อโอเคเข้าใจว่าเขาไม่ปฏิบัตินะเขาคนจะแกล้งเรามาั้งตอนเช้าพอบินขบาถเสร็จผมถามออไม่ออกเลยไม่ออกอาตมารู้แล้วว่าเขาเชื่ออะไรชื่ อ, อยังมอม อ่าเขาบอกว่าเขาชื่อบักตรียายคนหนึ่งแกกำลังปั้นขเหนียวจะใส่จากผมว่ะพี่แกขเหนียวหล่นฟุ้งลงไปตรท้าผเลยน ะ, ะแล้วแกก็ทําหน้าโวยโวยแล้วก็มองหน้ากันแหะส่วนยายคนที่แกเหมือนจะเป็นแบบเป็นต้องหัวใหญ่แต่ก็เอาตอกกระถูอุงอย่างเงี้ยผมก็มองมันอาจารย์มันผิด ป, ปกติ อ, อผมก็เลยไม่รับบาดรและก่อนจะเดินออกมาผมบอกว่าโห้โหพระน่ะมันบาปนะโยมแล้วผมก็เดินออกมาเลยครับอาจารย์ก็เห็นผมทําท่าเดินออกท่านก็เดินเดินนาไปก่อนเพราะว่า ก็เห็นแล้วหละว่าเราควบคุมตัวไม่อยู่แล้วท่านก็เดินนําหน้าเราไปก่อนเลยอืมตอนนี้พอมาถึงเนี่ยผมฉานค้าวตีบโมงเพียงเดียวไงครับตอนนั้นก็ผมรู้เลยเป็นเวลาตีบโมงเพราเรามองนาฬิกาแล้วแล้วเราก็เริ่มเริ่มนั่งฉันข้าวชาวบ้านเข้ามามาหาผมอ่าผมว่าน่าจะเป็นห้าสิบคนได้ประมาณนั้นไม่ถึงห้าสิบคนพี่แดงผมนึกถึงธราอาจารย์ผมเลยที่ว่าท่านถ้าพูดไม่ดีก็โดนกระทียบได้นะพานผมก็แบบเฮ้ยยี่มันจะจริงวะ ที่อาจารย์เราเตือนไว้เนะี่ยอาจารย์จ้าว่าด้วนะครับผมแบบ อ, อืมเอา้าเป็นไงเป็นกันนะงานแรกเราเราคล า, เร า, าเราพูดไปแล้วนี่ออืก็จ ะ, จะได้รู้ไปเลยว่ามันผิดเป็นครูไปถ้ามันจะโดนก็ทั้งมันครั้งหนึ่งยังไงเดี๋ยวอาจารย์อยู่ดังก็ต้องท้ามบ้างเหรอวะอมผมก็แบบอย่าโยนอย่ค่อยคุยกันนะอาจจะมาฉันข้าวนะก่อนเพราะว่าฉันนิดเดียวมผมก็ค่อยฉันนะฉันแบบแตงเย็นเลยพี่แจตอนนั้นน่คิดว่ายังไงวันนี้โดนกระทืบแน่อแล้วเขามาแต่ละคน น, ะน่าเครียดเลยนะ ผมก็ว่าสงสัยที่เราไปพูดเมื่อเช้าเนี่ยมันคงจะเป็นแหนมเดินปุยยะตายหญ่เขาละมั้งแล้วคงจะเป็นเล่าชาวบ้านคงมไม่พอใจอ่ะเราก็เอเอเอาเอาเป็นไงก็เป็นกันพอฉันเสร็จก็เดินไปล้างบาดคว่ำแล้วก็ของจีบอลมานั่งเลยนะผมของจีบอลแน่นเลยกะว่าถ้าเราโดนกระทียมจีบอลไม่หลุดอะไรกัน <c oughs> ผมก็คือทำใจไว้ทุกตะเบียดนิ้วเลยออืแล้วเขาก็ถามผมประคํานึงว่าม่อมย่านดีบปอือ <c oughs> <c oughs> เราก็คือเรายอมรับว่าเราเพิ่งบวชบวชได้พรรษาเดียวแจ๊ค <c oughs> มัไม่อยู่ไงผมก็เลยเหมือนกับจะมีความโอดขึ้นมาผมก็ถามโยมเล่นตลกอะไรกันเนะี่ยอคนที่มาทุกคืนก็ถามอย่างเงี้ย <c oughs> หรืออาจารย์ที่อาจามามาอยู่ที่นี่มันไปเบียดเบียนใครถ้าอาจารย์ไม่ไปไหนอาจาก็ไม่ไปหรอกนะ <c oughs> ถ้าอาจารย์ไปอาจาจะไปเองไม่ต้องมาหารางกับไล่กันหรอกเ <c oughs> ขาบอกโอ้ยอยู่ไปเลยมอม ยิ่มีภาพปฏิบัติอย่างนี้ยินดีเลยแต่ที่จะมาถามเนี่ยคือถ้าไม่กลัวผีจะเ่เราเรื่องผีฟังอ๋ออ๋ออ๋อมันพิกล็อกไงแต่ที่เรามโหมันพิกล็อกเราก็แบบอะไรวะอืออ๋ออนไหนโยนมลงว่ามาสมาไม่กลัวเราได้เลยเออคนที่มันมาหาหม่อมที่อบักตีเด้อมันโดนยิงทิ้งได้สองเดือนกว่าแหละล้วท่านายยังไงแนะล้วหม่อมลงว่ามาพี่บอกบอกบอกบอกเข้าไปเขาก็บอกเอก อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อแล้วตะเกียงของมันเนี่ยสีฟ้ า, ฟาใช่ไหมเป็นแบบ เอื่อนสนิทใช่ไหมพวกไอ้ตเกียงสีอะไรน่นไม่เห็นหรอกขณะดสีเสื้อผ้าดูไม่รู้เลยมันมืดแต่รู้แต่ว่าถือตะเกียงมาแล้วเขาว่าอืมนั่นแหละถ้าจะแม่นมันอยู่แล้วทอนี้เขาก็เรียกเด็กคนหนึ่งพี่แจ๊ที่จะบก็เห็นคนที่ว่าเขาอ่าขาหรือว่าแขนหักแล้วเขาจะมีไอ้ใหญ่ๆที่มันตามทะลุกระดูกอะที่มันจะเป็นเหมือนเราเสาไอฟ้าตั้งป่าเสาตากลางป่าเหมือนนั่นนะ อเด็กคนหนึ่งเขาก็เดินมาแบบใช้ไม้ค้ำอะแล้วก็มีไอเ้เสาอันเนี้ยเสียบที่ขาอยู่ไอ้เหล็กเสียบเสียบเสียบเสียบเนี้ยนะเขาก็มาไหว้ผมเขาบอกเนี่ยอือมรังฟังจากไอ้นี่มันดูเอานะเอาเล่าไปเด็กคนนี้ก็เล่าให้ผมฟังว่าอืมผมเนี่ยเคยเจอกับบักสีหลวงพี่เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยตายไปนคนนึงผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากเที่ยวกันในตัวอำเภอแล้วก็พอขี่กลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมได้เห็นแล้วว่ามีคนเดินอมาจากต้นตะแบ ออแต่เพื่อนผมมันบอกไม่เห็นผมก็บอกเบ้าคนเดินอกมากลางถนนแล้วเพื่อนผมบอกไม่เห็นมีใครเลยมันก็ปิดใหญ่เลยอันนี้คนที่มันเดินลงมานะ่ะมันก็ชัดแทนทีเดียวนะ่ะมอไซหักเขาไปต้นตะแบกเลยอเพื่อนเขาพอหักตายจากตัวเขานะะี่ะขาหักแล้วก็เพิ่งจะลุกขึ้นได้ไม่ไม่นานผมก็ถามว่าแล้วโยองรู้ยังไงว่าเป็นบังตีครับ<ถ>เป็นคนนี้เขาบอกผมเห็นหน้าชัดชัดตะยิ่งกว่าชาติเด็กเขามันยืนอยู่ใกล้มอไซเนนะี่ยผมรู้เลยว่าเป็นมันคือเรื่องของเรื่องนะพี่แจ๊ มักศรีเนี่ยมันเป็นขโมยของของเขาของของใครก็ไม่รู้เพราะว่ามันชอบขอโมยของเขาไงเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วตอนเนี้ยก็คงไปโดนคนแบบค่อนข้างจะมีฐานะเขาก็สั่นโวเอาพอตอนเนี้ยจะอารวาสทั้งทั้นที่ชาวบ้านเนี่ยเขาข อ, อที่เนะี่ยแล้วก็ฝั่งเอาไว้แต่เขาไม่เผานะคือทุกคนสั่งไม่ค่อใส่ใจเท่าไหร่ใช้วิธีการฝั่งเราแล้วพอเขาเห็นว่ามันอรารวาสมากมันหลอกกระทั่งคนแก่นะพี่แจ๊คเขาบอกว่าคนทั้าคนแก่ลุกขึ้น ขู่ข้าวคือขู่ขเหนียว่ะที่สี่ที่ห้านะมันไปยืนข้างเตาไฟเขาอย่างนั้นนี่เขาพูดที้ฟังอ่อคนแก่นี่ยแช็อกกันเลยอ mm. ่ะก็เลยตัดสินใจที่จะขุดมันขึ้นมาแล้วก็ทาชาวประนชิตแล้วเขาก็ถ่ายรูปมันไว้คือ mm. รูปของป๋าสีเนี่ย mm. ถ่ายเอาไว้ตอนที่เป็นแบบซี่โครงแห้งๆ mm. น้ําเหลืองน้ําหนองคือแห้งติดหนังทุ่มกระดูกไปแล้วอ่ะ mm. แล้วก็ติดเอาไว้ที่วัดแาวหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของป๋อือ mm. เขาบอกว่าหม่อม อยดูไหมล่ะพระนารายเป็นยังไงผมก็เยบอกอยากเห็นอยู่แถวไหนอะอยู่อยู่ที่ไหนเขาบอกถัดจากนี้ประมาณสี่ห้าหมู่บ้าน่ะก็ประมาณเป็นสิบกิโลผมก็เบอกน่าจะไม่ใช่ ล, ละผมพูดอย่างนี้เลยนะน่าจะไม่ใช่ ล, ละอาตมาเชื่อว่าผีมันคงมีความพยายามขาังนั่งสองแถวมาหลอกอาตมาหรอกเขาก็บอกเดี๋ยวเราไปดูก่อ น, นจะได้จะได้รู้ว่าใช่ไม่ใช่ผมก็ไปผมมั่นใจเต็มร้อยไปแจกไม่ใช่แน่นอนมันต้องเป็นการสร้างสถ า, านการณ์อย่างร้อยเอร์เซ็นแล้วเอามาหลอกเรา แต่ถ้ยังคงติดใจว่าตอ น, น, นให้ตังทําไมมันไม่เอาออืมผมก็เลยแบบไปไปถึงเข้าไปรถผู้ใหญ่ว่านั่งกระบะไปออืพอไปถึงพี่แจเชื่อไหมผมจําได้รอยสักที่มีตรงกระเดืออยอแล้วมันเป็นสบแห้งๆที่เขาขคือคนเราคนตายแล้ว่รูปก็ถ่ายตอนหน้าดีๆเราไปเห็นอย่างน่ากลัวแต่นี่เขาถ่ายตอนหน้ามันแห้งๆติดกระดูกแล้วเขาก็ติดอยู่ที่เรืแพงวันคือลักษณะนเนี่ยเป็นบัตรติดที่มาหาผมเลยแล้วษณะ ใ, ใจว่าจะแห้งแล้วก็่ปากจะอ้าอากจะแบบว่าลิมข้างหนึ่งแบบเหลือบๆข้างอะไอย่างเงี้ยดูมไม่น่าดูเลยอ่ะผมก็บอกอเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงของเ น, นี่ยเขาก็บอกตกลงใช่ไหมหม่องคนนี้มาที่มาเนี่ยผมก็ขกยักหน้าในนี้ที่น่นะาจะเดินออกมาขึ้นรถรอเขาเลยเขาก็เลยเดินตามเรากลัมาเขาบอกหม่องกลั ว, วมไหมเนี่ยถ้าไม่กลัวหม่องก็อยู่ต่อก็ได้นะอืคือตอนนั้นอะผมบอกตรงว่าผมอยากจะออกตั้งแต่วนาทีนั้นแหละแต่ว่าอาจารย์ผมท่านจะยังอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้ ผมก็เลยบอกตั้งแล้วแต่อาจารย์ถ้าอาจารย์อยู่ก็อยู่ต่อนะอืาอาจารย์ไม่อยู่ก็ไปเพราะว่าผมคิดแล้วว่าถ้าอาจารย์ผมยังก็อยู่ต่อเนี่ยผมก็คงจะต้องรายเหตุเต็นผมไปอยู่ใจท่านน่ะแหละแต่ตอนนี้อาจารย์ก็คงจะเห็นอาจารย์ผมแหละท่านก็ยิ้มแล้วท่านก็บอกอืมเป็นไงล่ะรู้เรื่องสำหรับเรื่องทิ่มเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะว่าทุกคืนเลยที่เราคุยกับท่านเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาคุยกับผมจะมาคุยกับผมทุกคืนเลยนะอืออาจารย์บอกเนี่ยอื เขอยกัผมเมือคืนแล้วผมก็รู้แล้วว่าเขาเป็นใครเรา อ, อยากจะดูว่าท่านจะแข่งไหมแต่หเห็นว่าท่านไม่ได้กลัวอะไรก็ทีดว่าท่านรู้แล้ว<ห>อ๋อ น, นี่ยังไม่รู้เหรอแล้วแจ็เล่าให้ผมว่าทําไมชาวบ้านต้องเข้าผมไปไปหาผมตัง้งสี่ห้าสิบคนเออทำไมไปเยอะขนาดนั้นฮะเพราะไอ้ไอ้ที่ผมอยู่นะั้นมันเป็นป่าช้าที่ไม่เคยมีใครผ่านเลยเวลาตองวันอ๋อเหรอคือตรงนั้นเป็นปาอาจารย์พาผมไปในะที่อย่างนั้นโดยท่านไม่ได้บอกผมอะตอนนั้นคือตัวเราก็ไม่รู้ว่าเป็นป่าช้า ไม่รู้ครับไม่รู้มาก่อนเลย<แ>เป็นป่าคาเจ้าที่เขาเล่นใช้มานานแล้วแต่ชาวบ้านยังไม่ค่อยกล้าผ่านเท่าไหร่ข้าไม่ไปจนเป็นกลุ่มคเพราะเขาบอกว่าในเวลากลางวันเนี่ยบางครั้งในเดินเข้าไปเนี่ยจะมีเสียงคนเนี่ยเรียด<อ>ถึงขนาดหลงเดินหายเข้าไปในป่าต้องไปตามหาเป็นวันวันก็มีนะอแล้วทีนี้ผมอยู่ตรงนั้นไม่ได้ผมก็เลยต้องออกอาจารย์พาออกจริผมไม่ได้คิดที่จะบอกเรียกร้องนะแต่อาจารย์ก็รู้ไงอาจารยก็รู้รู้รู้คงจะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ สะพาเราออกท่านนี้ยไอ้เขตอำเภอในที่ผมไปอยู่พี่แจ๊ะตสเขาอะคนส่งเขาอะมันจะเป็นแบบพี่แจ๊ะเคยเห็นโรงร่ามช้างไหมเคยครับที่มันจะเป็นเสาขึ้นไปแล้วเป็นสังคาระใช่สมัยนั้นมันเป็นแค่นั้นนะพี่แจ๊ะแต่ว่ามันก็จะมีเก้าอี้นั่งอยู่เป็นเก้าอี้เหมือนเหมือนอ่าขนส่งของกรุงเทพนั่นแหละแต่จะมีอยู่แค่สองแถวและแถวหนึ่งมันจะมีสีตัวแล้วมันมีผู้หญิงนั่งอยู่ทั้งหมด สองสคนเนี่อคือพระอย่างเราเนี่ยจะไปนั่งมือไหนก็ต้องมีการโดนผู้หญิงบ้างแหละถี่<ฆ>ถ้าไม่โดนก็คือโลควัชชะและโลกสีเกียนแหมพระเหนาหอมไม่เดินไปนั่งตรงทางผู้หญิงเลยเราก็เลยตัดสินใจที่จะผมอาจารย์เนี่ยไปนั่งพิงเสาแล้วเสาเขาทาใหญ่มากพี่ชาเชืช่อมไหมเสาผมคิดว่าน่าจะประมาณสองคนโอบได้สอ<ฆ>งคนโอบจะมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยสองคนโอบเน<ฆ>ี่ยผมก็นั่งพิงเสาเลยแล้วก็รอรถตอนนั้นรถรู้สึกว่าจะวิ่งเท่าที่อําเภอเนี่ย เขาบอกเวลาว่าประมาณที 1, 1> ่หนึ่งบี่หนึ่งที่สองแล้วพอจากผมงนี้เสร็จผมก็จะวิ่งเข้าฮ่องกงเนี่ยไปถึง เ, เช้าเช้าพอือเราก็เลยเราจะถึงที่หนึ่งที่สองมานั่งหลับเลยนั่งนั่งพิงเข่าแล้วก็หลับไม่ไปนั่งดวยของเขาแล้วนั่ับพื้นได้แหละพอในจังหวะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยอาจารย์ก็อยู่ต้นหนึ่งนะผมก็หยุดตัวหนึ่งซึ่งมันห่างกันมากผมได้ยินเสียงคนบอกขอน้ําทิ้หน่อยเนี่ยออผมก็ยังคิดว่าสงสัยใครก็คุยกัน สภาเสียงมันเริ่มชัดขึ้นขอน้ำกินหน่อยสิโอ้แจดาแท้ว่ะขอน้ำกินหน่อยสิผมก็เลืมตาเค<อ>ยนี่มันอยู่ข้างหูเราเลยนี่ว่ะผมก็เลยพยายามที่จะจะงอกดูว่าข้างๆเสาข้างหลังเสามันมีใครไห้แล้วหันไปมองอาจารย์เราก็นั่งอยู่ทั้งนูง่นเสาอต้นหนึ่งครับแล้วบริเวณตร น, นั้นคือหลังจากเสาผมไปมันก็มืดหมดอือไอ้ตรงบริเวณที่มีผู้หญิงนั่งอยู่เขาก็ยังนั่งหลับอยู่เหมือนเดิมอือ รู้สึกจะมีขึ้นรถไปบ้างแล้วคนสอคนนะเหลืออแค่คนสอคนอ า, อาจารย์ผมก็อยู่ที่หนึ่งแม่ค้าขายน้ําแก่ที่เฝ้าอยู่นั่นแกก็หลับอยู่คาทีวีเปิดอยู่นั่น อ, อยู่ตั้งใจนั่นคือ ส, สรุปไม่มีใครมาทานันหนจะผมได้ครับผมก็เลยเอาแล้วดิวทําังไงดีวะเนี่ยเดินไปจะไปอาจารย์อาจารย์ผมหลับตาอยู่นะอืหลับ ต, ตาอยู่นะผมเดินไปกาลังจะพูดอะไรอาจารย์บอกไปซื้อน้ำที่โยมนั้นมาออืแล้วก็ไปปักทูปมั้เท้อ เขาอยากได้น้ำก็ให้นาำเขาโอ้อาจารย์รู้ผมก็เลยแบบเฮ้ยตอนนั้นตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกซึ้งๆในอาจารย์แล้วนะแต่ว่ายังยังไม่มากมายเพราะยังเป็นทีแรกๆอยู่ไงอผมก็หรือว่าท่านจะได้ยินมันจะหรือจะอะไรอะไรก็หาเหตุผลมากังก็เดินไปหาโยมคนเนี้ยเขากำลังหลับอยู่ผมก็บอกโยมโยมโยมเนี้ยเขาก็สะดุ้มขึ้นมาแล้วว่าเอาวไว้หม่อมอ่ซื้อน้ําขวดหนึ่งแล้วก็ขอทูบด้วย น้ำถวายเลยมอมจะทูบเจ้าไปทำไม<ะ>อ่ะเอาเอาเอาให้อาตมาอะไรกันเนาะแล้วผมก็ไปจุดคือสมัย น, นั้นผมยังสุขุลีอยู่พี่แจ<ะ>ตอนนั้นแหละผมก็มีประแจขึ้นตัวไงผมก็ไปจุดทูบแล้วก็ปักไว้ก็วางแล้วก็เอาไว้เขาก็ไม่มีอะไรน ะ, ะไม่มีอะไรนั่งไปจนรถมาพอังหวะที่รถมาเนี่ยเราขึ้นไปนั่งบนรถเนี่ยคนอั่นที่เขามาเก็บตัวเพราะว่า เขาจะเดินตัวๆไงเขาเห็นเราเป็นพระแล้วแต่เขาก็ขอให้ขอดูตัวแหละเราก็ส่งให้ก็เป็นราคาพระสองและอีกใบหนึ่งนะคะออีกใบหนึงยังไงนะยมมอัตมามาสองคนอันมามาสองลูปเนี่ยแล้วที่เดินตามเกาะย่ามมันจะเป็นย่ามแบบย่ามยาวๆที่ใส่บาทแล้วก้นเลยที่จะเต้นใช่ไหมเคยเคยเห็นเห็นเกาะเกาะขาบ้าดขึ้นมาด้วยค่ะตรงย่ามเออไม่ไม่มีนะโยม ผมก็มองว่อาจารไ ม, ไม่ไม่มีอาจารย์อาจารย์กระดิ่งแล้วก็ไม่มีโยมมันมีแค่นี้แหละเขาก็ทําหน้าเงงๆนะแล้วกับเขาคงจะคิดว่าเขาเพิ่งตื่นเพราะว่ารถมาก็คือมืดมาทั้งคันเลยเหมือนดับไฟให้คนนอนมาจะคิดว่าเด็กรถก็คงจะนอนด้วยก็นั่งคนอย่างเงี้ยจนพอเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทเพเสร็จปุ๊คุยอาจารย์อาจารย์บอกไปไปประจวบกันไหอผมก็บอกมาขนาดนี้แล้วอาจารย์ไปไหนผมก็ไปหมดแล้วออก็ไปกัน นั่งรถไปสรุปยังไม่เดินเ ท, ท้าระดีนึงเพราะว่าเราเจอใหญ่อาจารย์แปลอาจารย์จะต้องการที่จะให้ผมค่อยๆชินไปก่อนเนี่ยท่านก็พาผมนั่งรถไปที่วัดจ้าไปวัดกินท่านรู้จักครับครั้นี้ไปถึงวัดเนี่ยคือจะต้องบอกว่าผมไปเจอพระรูปหนึ่งที่ท่านเป็นเป็นพระที่ผมไม่ได้ว่านะฮะตอนอตอนนี้คิดว่าท่านน่าจะเสร็จแล้ท่านจะหนักไปทางหวยท่านบอกกับผมเลยว่าท่านสองรูปเนี่ยเดินทุเดินกันมา ห, าหรือว่ายังไงโอ้ ท า, ทางจะมีของดีนะมี เ, เรื่ mm hmm. งองเด็ดบ่ออะไรเงี้ยเขาพูดไป mm hmm. ผมก็อ๋อไม่มีหลวงท่านผมผมไม่มีเรื่องหวยหรอก <c oughs> ไม่รู้เรื่องหวยเลยทําไมล่ะอ่าป่าผมเห็นว่าท่านทุดงเขาว่าพระทุดงนี่ต้องมีดีบอกกันหน่อยแล้วผมว่ไม่มีท่านพวผมไม่ยุ่งเรื่องหวยอ mm hmm. ท่านนี้ในขณะที่พารูปเนี้ยพูดเรื่องหวยแล้วท่านจะพูดมาคํานันงว่าผมเนี่พยายามหานะพยายามหาที่จะเจอผีนะ mm hmm. เพราะว่าผมอยากจะขอเป็จัดจัง แล้วผมก็จะเจอเสร็จแล้วจะขอหวยงวดหนึ่งพอถงงวที่หนึ่งปั้งสุดเลยออผมไม่กลัวแล้วพีอ่วันมีเสียงคนพูดมาจากด้านหลังผมแตอนไม่มีคนพี่แจ๊คพูดว่าเดี๋ยวมึงเจอผมก็หันมองเฮ้ยอะไรวะใครพูดวะออผมหันมองสถ า, านการณ์ผมท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วท่านก็ค่อยๆวางสองพระท่าน ทั้งนี้ล mm ักษณะของวัดเนี่ยมันจะต้องบอกว่าเป็นศาลาที่นอนรวงพันแดงเป็นห้องฟอยเป็นห้องสําหรับกุฏิหอวงพานะฮะแล้วก็จะมีห้องอยู่ห้องข้างล่างเป็นห้องสําหรับนั่งเล่นซึ่งเขาจะเอาไว้ให้ลูกเมร์เนี่ยนั่งสำหรับลูกเมร์ก็จะมีทีวีเนี่ยสําหรับพระเนี่ยเขาไม่อนุโลมให้มีทีวีเพราะว่าลูกเมร์เนี่ยที่มาบวชเนี่ยคือก็แค่ถ้าดูร้อนหรือว่าอาจจะมีเมร์มาไม่กินลูกก็ยังเด็กอ่ะเขาจะอนุโลมให้ดูทีวีได้อะไรเงี้ยก็จะมีนมมีอะไรไว้ให้เนแต่ถ้าเป็พระจริงๆเน่ย เป็ น, นมก็คือเป็นโภชนาะท่านก็ไม่ฉันแล้วไนงะหลังๆเพลีนมาก็คือไม่ฉันแล้วนมนมก็จะไปไว้ห้องส น, นุนหมดแต่ท่นนี้มันจะมีคอมพิวเตอร์ hmm. ซึ่งเขาไว้สําหรับใช้ทํางาน <Yeah. S 2> ในขณะที่ผมเข้าไปอยู่ที่นั่นนะผมก็จะรู้พฤติกรรมของพระรูปนี้ว่าท่านจะชอบแบบท่านก็มาแต่ที่อื่นนะท่านไม่ใช่พาวันนั้นเหมือนกันนะ hmm. ท่านจะชอบแบบอยากได้หวยอยากได้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าขอไปนอนท้ายวันสุดแล้ววัดนี้แผลเขาปลูกตะเขียนทั้งวัดเลยนะผมเขไม่รู้เขาปลูกทำไมเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือวะนี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ทั้งวัดเลยตะเคียนเลยฮะใช่ครับถลนรัเลยทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ต้นเท้าแขนต้นเท้าขาไปถึงต้นเท้าคนโอบอย่างเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยครับซึ่งในวัดเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับคนตะเคียนพราะที่นี่มีมีทั่วบริเวณผมก็หันไปถามแหทั่วบริเวณเขาบอกท่านไม่รู้จักกับต้นตะเคียนยังองบอกถ้าถามไว้ดูเนื้อไม้ดีไม่รู้หรอกเขาบอกเนี่ย ทัวัดเลยแต่เขียนหมดอืผมก็ อ, กอ๋อเลยทําให้เราคอยเหมือนแบบเลิกกลัวไปเลยไม่แช่เพราะเรามองเป็นเรื่องของเพื่อเศรษฐกิจไปเลยไงเราก็ไม่กลัวอะไรแต่ในพารูปเนี้ยเขาเป็นหอนไายวัดและไทยวัดเนี่ยมันจะมีกระต๊อบแบบทาจากไม้ไผ่มีอยู่สองหลังซึ่งติดอยู่ริม น, น้ําและข้างหลังเนี้ยมันจะเป็นน้ําเลยเป็นน้ำแบบน้ําที่คนสัญจรไปมาไม่ได้อ่ะวัดคุณไงว่าวัดโดนปิดล้อมด้วยน้ําอ่ะครับพอตอนนี้ ท่านหายไปคืนนั้นในขนาดนั้นนะผมกําลังนั่งอยู่กับพระใหม่รูปนึงที่ท่านเพิ่งบวชเราก็ไปพักผ่อนก็นั่งสมทนาธรรกัท่านแล้วนะลูกเนรก็ดูทีวีไปค่นนี้ไอ้ห้องเนี้ยมันจะมีห้องข้างหลายีกทีหนึ่งแล้ว ม, มีคอมพิวเตอร์ที่ปิดไว้คอมพิวเตอร์ที่มันเป็นแบบคอมิวเตอร์ตั้งโต๊เนี่ยเวลาจะเปิดมันต้องมีป๊อกแฟกซ์รึหลายอย่างใช่ไหมีห้องนั้นไม่มีใครอยู่นะครับห้องนั้นไม่มีใครอยู่แล้วผมกําลังนั่งสนทนากับพระรูปนีน้ถึงเรื่อออองทททีี่่่่ผมเเเเจจหตุกกาาาารรณ์พะนบว ท่านประดดงเจออะไรมาบ้างผ ม, มก็เลยบอกว่าถ้าเล่าเรื่องผีให้แกเนี่ยจะเป็นอาบัตนะถ้าท่านกลัวเขาบอกผมไม่กลัวหรอกผมอยากฟังผมไม่กลัวจริงนะผมอยากฟังวดุดงเขาเจออะไรบ้างเขาบอกผมก็เพิ่งไปที่แรกแล้วก็เจอดีเลย<ม>แต่เล่เให้เขาฟังอยู่พอเล่าเล่าอยู่พี่แจกไอคอมพิวเตอร์ในห้องนั้นซึ่งมันมืดแล้วมันไม่มีใครอยู่เลยนะอยู่ดีมันปึ๊กปึ๊กปึ๊กวูงานขึ้นมาพี่แจ๊กให้ผมคิดว่าไง ผมก็มองหน้ากันหอกท่านเชื่อไหมซุกวันนี้ผมยังคิดว่าเขาตามผมอยู่เลยแล้วผมก็รู้ขึ้นเดินออกมาเลยพอเดินออกมาเสร็จปุ๊บผมมาถึงผมเล่าตอนนี้ผมยังปวดรู้ผมจะมรรากาศได้พอผมเดินออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไปล้างขท้าล้างเ้าแล้วก็จะเข้าห้องน้าเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นกุติผมเห็นพาลูกนเนี่ยเดินออกมาแล้วก็ปากทัานแตกแล้วท่านเ็เอามือกลุ่มท้องแล้ท่านก็มองหน้าผมแต่ผางตารู้จักแล้วท่านก็เดินเข้าไปในห้องน้ำเลยผมก็เอ้าเฮ้ยท่านจะอะไรอ่ะ ไม่พูดอืเข้าไปถึงแล้วก็ออกมาแล้วถ้าผมถามเป็นอะไรก็ไม่พูดเดินกลับไปนอนเหมือนเดิมครับตอนเช้ามาเนี่ยผมจะต้องรอบนขบ่ายพร้อมๆกันประมาณตีห้ายืนรอกันที่หน้าวันดทีห้ากว่ากว่าจะตีโมงเนี่ยก็ ถ, ถึงจะไปส่วนทีห้าเราจะไปยืนรอกันที้ตรงหน้าหน้าทางออกวัดนะครเป็นปกติวันนั้นผมก็ยืนรออยู่รูปอื่นแต่สําหรับอารูปเนี้ยจากที่เคยออกมาคุยกันในวันแรกวันนี้เดินมาถึงแล้วก็เดินไปเลยไม่รอใครเลยผมเอาเฮ้ ท่านเป็นอะไรของท่านอะ่ะคือเราก็มองหน้ากันพระใหม่บา้างพระเก่าบา้างแล้วก็สงสัยผมก็เป็นโรคสงสัยไม่ได้นผมก็เดินตามไปเลยเพราะว่าดูเขาจะเหลี่ยหางตาผมคิดปกติออืเพราะว่าก่อนหน้านั้นแหละตอนที่ว่าผมได้ยินเสียงพูดว่าเดี๋ยวมึงเจ อ, อผมเตือนเขาแล้วว่าท่านผมว่าท่านอย่าทา้าทายจะดีกว่าไอ้ของพวกเนี่ยถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่ได้หมายแปลว่าไม่มีนะ อ, อย่าพูดจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเจออะไรดีขึ้นมาแล้วจะมันจะแบบบอกว่าผมไม่บอกไม่เตือนไม่ได้นะอันนี้ท่านก็เลย ผมเชื่อว่าท่านหมายว่าเป็นผมแต่แล้วผมยังไม่รู้ว่าอะไรท่านก็เดินไปผมก็แบกเฮ้ยเลหันตามองเราลูกเดียวเลยป่อยด้วยผมก็เดินตามไปเลยไม่รอเขาเดินเดินตามไปท่านท่านอยู่ส่วนท่านท่านท่านเรารียกมาหลายทีจนหันมาท่านมีอะไรไม่พอใจที่ผมมาที่นี่หรือเปล่าเขาหันมาบอกพวกท่านนทําอะไรกันอย่างะเด็กเป็นผ้าเถ้าแต่จักมันถึงเพื่อจะชื่อผมผมบอกฮะ ถึงพื้นจะพืบเลยเหรอือ้ท่านใส่ความผมนี้อาบัต น, นะเนี่ยผมเป็นพระนะเนี่ยยุงผมยังไม่ตกเลยนะผมจะไปทําอะไรท่านนะ่ะอะไม่รู้แหละท่านตัวดีนะเพราะท่านพูดอยู่คนเดียวเลยว่าระวังเถิด จ, จะหาว่าผมไม่เจรอนเนะี่ยผมว่าท่านหมายผมแล้วเขาก็เดินไปเลยนะมผมว่าเวลาบินบินอาบหลาดแบบจากที่เคยเดินแถวเดียวกันเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองแถวอะผมเลยรู้สึกว่าเราเป็นอคันตุกะไว้เรามาทีหลังเขา เราปล่อยเขาบินถ้บาทดีกว่าเราก็เลยเดินจับได้พอประมาณในบาดละลับมาถึงผมก็มาลั่นนั่งสวดมนตหน้าพระพุทธรูปใหญ่เลยพี่แกอารมณ์เรามันโมโหไงโซเดปุ๊บได้ออกมาพระรูปนนี้กลับมาพอดีเลยผมได้ถามท่านไหนท่านว่ามาใหม่ว่าใครที่ทําหลายท่านออืเราเป็นพระเราคุยกันได้นะหวังว่าคงไม่ต้องไปเด็กก็อธิจรอธิจร์สลงมือลงไม้กันเขาก็เลยพูดบอกงั้นก็ดีดก็คุยกันต่อหน้าทุกคนนั่นแหละออืใครบ้างก็คือเืนนี้ที่ร่วมเหตุการณ์กันกับพระรูปเนี้ยอ่ เขาว่าผมอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเมื่อคืนตอนที่ผมนอนอยู่อะ่ะตรงกุติท้ายวัดพี่แคทไม่มีไฟมีตะเทียนเขาผู้บอกเขากำลังดับเทียนอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ดับเทียนพอดับเทียนเสร็จมันมีคนสามที่คนอะวิ่งขึ้นไปบนกุติเขาอะแล้วก็จับแขนขาเอากลางแล้วทีกคนหนึงก็กระพรบมายั้งเลยกัะพริบทั้งหน้าทั้งตัวทั้งอะไรเนะี่ยเขาก็บอกว่าเป็นผมแน่ๆเ<ๆ>ขาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นรูปร่างก็เหมือนผมก็บอกผมนั่ง ดูทีวีอยู่กับพระใหม่รูปเนี้ยผมก็ชี้เนี่ยอ <Ừ. S 2> แล้วก็คุยสมทนาธรรมกับท่านอยู่แต่ที่สำคัญก็มีผมแค่สองรูปด้วย <c oughs> ไม่มีสมัครประกวดอะไรทั้งนั้นใครจะไปทําอย่างนั้นได้ออืเ <Ừ. S 2> นี่ยผมมีพยานพารูปนั้นเขาก็สัมทับว่าจริงครับเมื่อคืนผมนั่งปุ่กันอยู่ท่านออื <Ừ. S 2> เขาไม่ได้ไปไหนเลยครับเขาก็เลยแบบแล้วใครทําผมอะ่ะ <Ừ. S 2> แล้วทําผมทําไมอะ่ะท่านนี้จะมีพระอยู่รูปหนึ่งเนี่ยที่ท่านอยู่เทีย น, นมานานแล้ะอันนี้ก็นักเลงเก่ามาบวช ปักเป็นตัวเลยพี่แจ็ลายทั้งตัวเลย<ฮ>ท่านก็ดูเรียบร้อยนะสุภาพดีด้วยท่านก็บอกว่าเคยอยู่ที่นี่แล้วเคยโดนมาก่อนออืเรื่องนี้ดงังไปถึงแม้ท่านเจ้าวาดเลยนะแ้่ท่านก็สัมคำว่าเป็นเรื่องจริงด้วยเพราะว่าพานรูปนี้ตอนมาบวชใหม่ๆเนี่ยลวงที่ท่านเนี้ยมาบวชใหม่ๆอ่ะท่านก็พูดอย่างนี้เลยว่าไม่เคยกลัวเลยผีและมาบวชอยู่ได้ยังไงก็เชื่อว่าตลอดไม่เจออยแล้วผีเกิดบางคนยังไม่เจอเลยแต่ไหนเขาว่า ปกติที่นี่มีตะโขงตะเกียบนั้นยิ่งพิกลัวเลยอยากเจอครับเขาพูดอย่างนี้นะอืมคือมันท่านบอกว่าท่านนอนแล้วแล้วก็ล็อกประติแล้วลงก่อนเรียบร้อยหมดก่อนสองตัวแล้วก็ปิดประตูม้วนชั้นนึงจังหวะแต่ในขณะที่เพิ่งหลับเพิ่งตนี๋ยมีคนเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาลุนกระทืบท่านท่านพูดว่าท่านโดนกระทืบจนถึงขนาดที่ก็อุจจระลากเลยนะเนี่ยแล้วก็ทันทีที่ท่านลุนตาเพราะว่าเห็นคนพวนั้นวิ่งออกน้องห้องแต ลุนตามมาปราิฏว่าประตูยังติดอยู่อ่ ะ, อ พ, อะพี่แจ๊กอัลลอ่าแล้วพี่แจ๊ก้าให้ท่านคิดว่ายังไงอจนวัดเนี้ยเนี่ยถ้าผมพูดอยู่เนี่ยผมว่าเพเผื่อคนแถวนั้นเขารู้แหะ ว, วันนี้เขาบอกว่าดุมากข น, นาดผีกระทื้นพระเลยนะครับผมก็เลยถามผีไม่ไกลัวพระตอนนั้นผมยังไม่รู้ไนงะผมเพิ่งใหม่ๆถึกษาใหม่อาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าผีไม่ได้กลัวพระนะถ้าเขาจะเกงใครน่ะเขาเกงที่ศีลถ้าศีลไม่ดีเขาก็ไม่เกงมัน แ, แค่แค่ล้นหู เขาก็ไม่เอาไว้เหมือนกันนะก็ในปรากฏพาุดงที่ปฏิบัติไม่ดีก็มราณาภาพกับมาหลายรูปแล้วโอ้โอืมเพราะฉะนั้นทําให้ดีนี่เป็นตัวอย่างผมก็เลยตัดสินใจไว่เฮ้ยสงสัยต้องฝึกแล้เพราะว่าเราเจอเรื่องประหลาดมากเกินไปตั้งใจจะฝึกพอวันนั้นผมจะฝึกคิดในใจว่าจะฝึกจะฝึกจะฝึกเดี๋ยวคนต้องปรึกษาอาจารย์พยายามนนี่จะหาคําพูดยังไงที่มันสวยหรูดีวะโกหกมันก็ไม่ได้ไว้กว่าหาบัตร ก็ต้องบอกตรงๆแต่จะต้องก็องอธิบายและให้ท่านเข้าใจอ่ะคือเรากลัวท่านจะเสียน้ําใจท่านจะ mm. ไม่ขัดหรอกอาจารย์นะครับแต่กลัวท่านเพราะว่าท่านชวนเราออกพิธีนะฮะอืมครั mm. ้งนี้ตกคืนของฝันว่าบัตรสีไม่มาพี่แจ็คมาบอกกับผมว่าถ้าท่านอยู่ไม่ถึง 3, สามพันศานะผมจะตามท่านไปจนตายเลยอืมแต่ถ้าท่านอยู่ถึง 3, สามพันศานะเดี๋ยวผมก็ไปของผมเองเละ mm. ขออาศัยบุญหน่อย mm. ผมเพื่อจะต้องบวชถึง 3, สามพันศาอืมแต่ว่า อาจารย์ที่ผมไปไหนเนี่ยเขาจะตามไปตลอดทีกแกแม้กระทั่งอย่างเรื่องที่ผมออกจากวัดนั้นผมออกจากวัดนั้นแล้วผมก็ไปทางใต้ไปทางนครศรีธรรมราชวัดนั้นก็จะมีพระที่เขาสักลายสักหรบว่าสักา ย, ยันต์สักอะไรอย่างเงี้ยอืเขาก็ชวนผมสักผมก็บอกอ๋อไม่ไม่ไม่หครับเพราะว่าผมมีอาจารย์เดียวผมไม่เอาอาจารย์อื่นก็คุยกันแล้วเนะรู้สึกว่าท่านจะเอมเนผมค่อนข้างจะเอมเมนต์ผมเพราว่าผมปฏิเสธเนี้ยคนอื่นเขาสักกันทั้งตัวใครมาเป็นพระวันนั้นก็ อาจารย์มีจ่ามาก็ต้องให้ท่านตักแต่ผมคือปฏิเสธชัดเจนผมมีอาจารย์องเดียวมีอาจารย์รูปเดียวเขาค่อนข้างจะคอมเมนต์ผมวันนั้นผมนอนอยู่แล้วก็ผมไม่รู้นะผมพูดประโยชนต่อไปนี้ผมไม่ได้โทษใครนะแต่ว่าในสาราที่เขาให้ผมนอนอ่ะมันจะมีห้องน้ําที่ที่เป็นประตูเหมือนแบบประตูประตูห้องน้าทั่วไปและชั้นบนมันจะเป็นกาแพงแบบที่ว่าไม่ติดกับกำแพงไม่ไม่ติดกับพดานหรือพีจ์เหมือนห้องน้ำนักเรียนอ่ะที่สามารถชมุดูกันได้อ่ะ เหมือนคนกระโดดปีนต่อกระดูกันไนนะนด้ในขณะที่ผมกำลังนั่นอนอยู่จะหลับผ ม, มเห็นนะ่ยคนเนะ่ยชะ ง, งูหน้ามองผมจากในห้องน้ําอืำผมก็เฮ้ยลุกขึ้นนัแล้วหันไปมองแล้วเดินเข้าห้องน้ำไม่มีใครนะเป็นใครใวะครับพอเรากลับมาจะนอนได้ยินเสียงกระติ้งข้าวของผมว่าพรุ่งนี้เช้าอย่าพึ่งออกไปนะพูดอย่างนี้กับผมอนะซึ่งปกติเนี่ยตีห้าผมต้องออกไปรอบินลำบ า, บ า, า ก, ากเราเป็นอาคารทุกกะเราก็ออกไปจวนเขาไงนะ แต่มีเสียงบอกว่าพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องออกไปนะอผมก็ตอนนั้นเรารู้แล้วเริ่มยอมรับแล้วว่าเป็นบัตสีอย่างชัดเจนแต่เหตุผลอะไรที่ไม่ให้รออือผมก็เลยเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์บอกก็ต้องฟังเขาดูบ้างก็ได้เพื่อมันจะดีออืเราไม่รู้ว่าใครชอบเราหรือไม่ชอบเราบ้างอาจารย์พูดนี้ผมก็เริ่มฉุกคิดว่าเมื่อจะเป็นไปได้เพราะวันนี้เราปฏิเสธเหมือนว่าเขาน่าคาขนันหมดแลคนทั้งวงเริ่มกันมาแล้วท่านมาด้วยกันแบ่ขอไม่ครับผมมีการรู้เดียวอผม ไม่เอาคนอื่นนะเขานหน้าเขาชากันหมดผมก็เลยสงสัยจะสร้างศัตูโดยไม่ไม่รู้ตัวอีแล้วเลยก็เลยอยู่นั่นได้แค่วันสอวันเพราะว่าตลอดเวลาผมจะเจออ่าเวลาผมถูสาาอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาหมามาเดินขึบวนสาราผมมาเดินคุยโทรบครับตอนทีอ่าหลายย่างอ่ะพี่แกนจนเรารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราแล้วอ่ะกระจงกระจกเราขาดเราไปอยู่เราก็ไม่อยู่กับดูดายไง เราผักกระจกเช็ดกระจกเดี๋ยวว่าเราเช็กระจกโดยหลังกับเขาเดีย ว, เดยวตอขึ้นามาเป็นรอยมือแล้วแล้วเออไม่อยู่แล้วลนะ้กันที่มีก็ไปอาจารย์ฉนนั้นยอมรับแล้วว่าจากจากการที่เราไม่นิ่ง่ทําให้อาจารย์เดือดร้อนว่าแต่ถ้ยืนเป็นถึงสามพรรษาไปแจกแล้วเขาก็ไปก่อนที่จะไปเนี่ยเขาบอกกับผมว่าเขาพูดกับผมแล้วว่าถ้าเขาได้เกิดใหม่ครั้งเขาจะมาเป็นเนมนในวันที่ผมอ้วนเขาพูดแค่นี้แหละอออืืเรื่องของมัดศรีก็หายไปเนี่ยครับ ดังนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยคือหลังจากที่เราได้เจอเขาครั้งนั้นจนเรามาถึงประจวบมาถึงที่วัดวัดนี้เขาตามมาจริงๆสามพันศาเขาอยู่กับผมตลอดเวลาผมจะทําอะไรเขาจะกระซิบบอกผมตลอดแม้กระทั่งเมื่อเวลาที่ผมสวดมนต์ทำวัดเย็นผมก็จะผมจะได้ยินเสียงคนลงมาเดินนั่งข้างๆผมด้วยนะเหมือนลงนั่งแบบเหมือนนั่งนิจอะไรอย่างเงี้ย เหมือนตั้งใจให้เรารู้ว่าเออนั่งๆงอยู่นั่งฟังอยู่นะอย่างเงี้ยจากที่เรากลัวผมจะยินอย่างนั้นแรกๆทีื่อแคผมสวดมนต์ผมต้องคอยหันหลังนะหันซ้ายหันขวาหันเรียนครังคือมันก็เสียวหลังใครลองนึกภาพอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยแล้วมันมีของสุดเย็นหลังเนี่ยเราจะต้องหันมองนะจากที่เป็นอย่างนั้นจนกลายเป็นไม่เป็นนะจนรู้สึกว่า เธอก็เป็นเพื่อนชันคนหนึ่งนะเราเดินทางด้วยกันทุกองด้วยกันแล้วกันเนาะจนจนเป็นอย่างนั้นไปแต่เขาก็ไม่เคยออกมาแบบมาแบบห่างมาจ่าให้เราเห็นนอกจากว่ามีอะไรก็มากระซิบข้างหูหรือว่ามาบอกมาบอกในฝันใช่ครับอือย่างครั้งหนึ่งที่ครั้งหนึ่งที่ผมอ่าเลืมโปงอาบัตแต่ผมเข้าไปในสังคมมนนกับเขาเนี่ยลืมโปงอาบัตตอนคืนมาผมนั่งสมาธิ ผมเมืองจัดอ่ะผมรับทั้งสมาธินะั่คือยอมรับว่านั่งสับประหนก<ะ>ผมเห็นบักศีเนะี่ยเขาอยู่ในฝันผมนะมนั่งขัสมาติต่งหน้าผมแล้วบอกมอมเข้าสังขงมนตรธรรมไม่โปรอาบัอิอยวก็เป็นอาบัติเพิ่มหรอกอสอนผมด้วยนะพี่แจ๊คเชี่ยวม่เอานี่เจริงผมก็เอเอดีเหมือนกันถ้ามีคนอยู่ด้วยอาจารย์ผมรับรู้ตลอดทุกอย่างแต่ท่านไม่เคยว่าอะไรเพราะว่าเขามีกําหนดไม่ใช่ว่ากิจวัารามเราเป็นเจ้ากรรมในเวรแต่เขามีกําหนด เขาพูด <K> แล้วก็ขอสามรรษากั 3, ้งสามพรรษาผมก็อยู่จนจบสามรรษาเนี่ยน ะ, นะแล้วก็จริงๆก็อยากจะบวชต่อนะน<ภ>แต่ก็มีธุราบางอย่างต้องทาก็ก็เลยชดโอ้โหนะจากวันนั้นจากวันแรกที่เจอเหมือนจะมาเหมือนจะมาหลอกเหมือนจะมาลองใจเหมือนจะมาทําอะไรให้ให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนผมว่ามันลองใจมากกว่าครั้งแรกแต่ด้วยด้วยความที่เราเรานิ่งพอแล้วเหมือนเขาศรัทธาหรือไงก็ไม่รู้ ไม่รู้นะอันนี้คือผมคิดเองแล้วเ้าตากันอยู่นั่นแหละสามพันสาเลยอะฮะครับอาจารย์ผมบอกว่าให้ภูมิใจว่าครับเขาอยู่ที่นี่มาตั้งนานเนี่ยชาวบ้านมีจต่เขาหลอกหลอนแต่เราเนี่ยเขามัไม่ได้มาหลอกเรานะแต่เขามาขอบุญเราที่เขามาบอกเราดีๆถ้าเขาจะหลอกเราเนี่ยเขาคงทำมากกว่านี้แล้วนี่คืออาจารย์ผมบอกนะครับผมก็เลยเหมือนหมดหมดหัวลงไปพี่แจ๊คมันกลายเป็น คือบางครั้งผมสงสารเขาด้วยนะเวลาที่เราแพ้ไม่ตายเขพราะว่าเรารู้ถึงคนคนึงที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ต้องเลี้ยงเซียนการที่ทำอาหาจรินซึงแต่ละจังวัดเขาจ่างถูกแต่พอไม่พอจริงก็ต้องมีการที่จะขโมยเล็กน้อยแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่คนมีอิทธิพล่ะผมก็ฟังจากเขามาแต่เขาไม่ได้บอกว่าใครกันหรอกนะแต่เขาบอกเขาน่าจะคนมีอิทธิพละบางทีก็แค่ไก่ตัวเดียวอย่างนี้ อ่าของแบบที่มันไม่น่าจะถึงขนาดต้องอาชีวิตกักนก็เอาชีวิตมันก็เป็นเรื่องของเนี่ยมันมั น, มนอะไรที่เดินเหตุเรานั่งนี่ก็เราก็สงสารเขาเซึ่งตัวเขาเองเขาไม่รู้นะฮะอย่างที่เขาบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทําเขาอ๋อตอนนี้หน่อยหนึ่งผมทราบพี่แจเพราะว่าผมถามว่าแล้วเป็นผีจะทำไมไม่รู้ว่าใครทำผมำเคยถามอย่างเงี้ยถามพวกผู้ใหญ่ว่านี่ว่าตอนนั้นเรารู้หมดแล้วว่าเป็นตาคนนี้แน่นอนนะครับทําไมเป็นผีแล้วไม่รู้ว่าใครทําอืม เขาก็บอกว่าตอนที so oh, okay. right. like evet. ่มันตายมันมีถ้ําสินอยู่ที่ปากมันนะแล้วก็เหรียญอะไรก็เป็นเหรียญน้าตมเป็นเหมือนแล้วมีถาสินยัดอยู่ที่ปากจมูกเข้าใจแล้วอ๋าโอเคเหมือนกับทําพิธีไว้เพื่อไม่ให้ผีมาปากโป้งบอกกับคนอื่นว่าใครเป็นคนทําครับอ๋อเหมือนโดนสะกดไว้ครับเู้สอกไปสินเนี่ยเป็นตจมือเลยะแล้วก็มีเหรียญบาทแบบ เห็นมาทแบบดอ่ะซึ่งซึ่งคนที่เขารู้เหตุการณ์เขาบอกว่าน่าจะเป็นเงินปากผีที่ผ่านมาไม่รู้กี่ปากแล้วโอ้โหแสดงว่าคนทํานี่เขารู้ด้วยนะเขารู้ด้วยนะว่าอวิธีการพิกรรมเนี่ยทายังไงทําไปแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นผีไปได้บอกคนอื่นว่าเนี่ยเป็นคนทําำ<ช>แสดงว่าต้องเป็นคนที่ที่พอตัวพอสมควร ออืแต่จากที่เขาอยู่อยู่ด้วยกันกับผมเนี่ยผมจะชอบชอบอย่างนึงคืออ่านหนังสือธรรมะจะอ่านแบบส่วนมวลส่วนมวลแปรเขาแล้วก็บางครั้งเราพยายามพูดเพราะอาจารย์ผมบอกว่าพูดให้เขาฟังด้วยไม่ต้องคิดว่าเราบ้าให้รู้ว่าเรารู้ว่าเขาอยู่กับเราครับคือทำไมเขาฟังผมก็จะพยายามพูดและสอนเขาว่าของสิ่งของอย่างปงได้ก็ปองนะอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นมวลอาฆาตก็จะเป็นเปรอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าการอาฆาตหรือพวกพยาบาทมันจะเป็นได้สองอย่างคือเปรกับสุรกายแค่นั้น ถ้า<ช>เป็นเปรก็คือ ห, ว ง, หวงเอื้องเฝ้าจองล้างจองผ่านแต่ถ้าจิตใจไปในด้านลบมากๆก็จะแปลสภาพไปเป็นอสุรกาย <c oughs> หาทางผุดและเกิดได้ยากเพราจิตใจจะเน่าเสียลงไปเรื่อยจนอออาการกลายเป็นพวกพวกพู ด, พดที่ต้องหลบซ่อนอยู่ในความความล้ครั บ, รบของโลกวิญญาณอืออ้าวอ า, วอาวแล้วฮะคุณผู้ฟังฮะคงจะได้ฟังเรื่องของ <c oughs> ผมเป็นผีฉบับสมบูรณ์ไปนะครับ ต้องบอกว่าอ่าคุณคิงเนี่ยเคยเล่าเอาไว้แล้วที่ที่ที่บ้านหลังเก่าต้องบอกผู้ฟังอย่างนี้นะครับครั้งนี้คุณคิงมาเล่าเนี่ยเป็นฉบับเต็มฉบับสมบูรณ์ที่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะเรื่องของเวลาอาจจะไม่พอแล้วก็ผมยังไม่เคยฟังเรื่องนี้ด้วยเออเพิ่งได้ฟังโหมันมันมีหลายหลายอรรถรสมาก นะครับกล้องขอบคุณคุณคิงมากๆเพราะว่าเดี๋ยว Facebook ไลฟ์มันจะตัดแล้วอีกประมาณ2นาทีครับได้สี่ชั่วโมง <c oughs> พบเลยวันนี้ให้เวลาคุณคิงแบบเต็มเหยียดเลยสองเรื่องด้วยกันขอบคุณมากนคเจ้ทำทุกคนนอนเด็กกันหมดแล้วนะยาวคนรอเยอะคนรอฟังคุณคิงเยอะมากพอ บ, บอกคุณคิงจะมาโอ้โหรอกันเป็นแถวเลยแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงครับขอบคุณนะ คิงออฟโกดครับขอบคุณจรมากครับพี่แร๊บได้ครับคุณคิงแังไงดูแลรักษาสุขภาพเช่นเดียวกันครับครับผมพี่แจ๊บสวัสดีครับ